ที่มีเงนเต็มเพนฝาเพนดินตัางล้านโกเท่ากับพระสะออนได้เดียวเนี่มันอันนี้สองเก่าของเขาซืออันนี้สงศส์ก่อนเ น, นี้ยกำลังนั่งวิซักขาเนี่ยเสียงกระปูอ้ยนั่งเลยนิมัเทปูเถตะปูเพื่เรียนสายพระพุทธศาสนาปูกับนี่ับมีศีลอยู่ที่สิบกวดโอ้ย ลูกก็มีแฝดทโกดคุณปู่ก็ไม่ซี้ที่โกรธสิ่กินดูคุณปู่เอ้ยพพกินของเก่าวาสันวอีนกมันว่ากูกินของบุตรของน้าเขว่าละอืบ่กินของเก่าวันเนาะคุณปู่เอ้ยันนีากินของบุตรของน้าเว้คือกินเขาเกาวาสันเฮ็ดไว้แต่ปางสัดก้อนผุารนีเ่เฮ็ดต่อไปอีกสิแต่กินนี่ยังคุณปู่เอ้ยวัน งอจังสันดอกก็สันลูกวาจังสันอกสันเอาไปเอามาหนึ่งเที่ยงแบบเย็นเย็นเที่ยงข้ารบเลนกผอมเล่นางวิสาขาเทียงปูเทียงนบผอหยิมแยมแคมใส่อตกลงมากสู่นางว่ได้ซะของพระสวดิบันฑตเกียิปีพระพุทธเจ้ามีไก่มีไก่เด้มีนอไม่ไน่เด้ผดก็นางวิสาขาก็พูดแบบหนึ่ง เมื่ออายุ15ปีหนึ่งเขาสมมาปาธนาไปเจ้บ้านผัวแถวพระองค์เจ้าเออมันก็แม่นหน้าเออก็พวกนั้นนักทั้งทั้งทั้งกล่ำมาลมนักทั้งโลกขี่ยู่ว่าท่นเพราะว่มองเห็นคุณค่าของพระนิพพานเขาก็ว่าช่างแหนะเขาก็เชื่ออันนั้นมันเป็นของดีการสางโลกการสางสงสารกามีครูมีผัวมีเจ้งานราชี ควบรับทั้งหลายมันอยู่กับนางวิสาขาหมดพระองค์เจ้าที่เป็นสันวันไหนวันไหนวันไหนวันไหนเนื้อกุ้งน่าจะคือกดีเนื้อในเมืองสาวัตถีนั่นเขาต้องเอาน้างิิสาขาไปเบ่งอาหารเะก่อนเพราะพระองค์เก่าเป็นลูกลทธิ์ีดวงทว่านที่ชิงไในที่ควนชิงในทีโบควรต้องหน้างิริสาขาต้องมันพูดไปบอก นังวิสาขานมาวัดมือละสามเถือ่อตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนคำ่ำพระเก็บมีถไตรพระป่วยมีถไตรพระสิจรมามือในมือนีมีถนุนไตรพระสิปายุที่อื่นมีถไตรเรี๋ยวว่าคามิยาพัดพัดที่ท่สุก็ไปอยู่ที่อื่น หรืออัาพัดพัดพิจุผู้จะเดินทางไกลน้่งวิสาขาต่องแต่งให้ครบหมื่พระไข่มีเทไรไพนักไฟเบาพระป่วยมีเทไรนำวิสาขามาวัดเหมือละสามเถือ่อก็บริวานพระองค์เว่ายใจเพราะพระสวสดาบันว่ ม, นมีเงียว่า ม, มีงอน ถึงพวกโซดาบันน้าวิสาขาเมื่อยินดีอัญญสัตว์ตเทียน่ยินดีในศาสดาอื่นเลยบกวิธีผ้ากมันบ่ไปใส่บาตรให้น้าวิสาขาแล้วบไปใส่บาตรให้พูดวัสดีกับเล่าที่ไหนหน้ามิสาขาบอกิผ้ากพูดพูดวันดีกับเล่ามีผู้หญิงอยู่กับซางเสีเวมือนี้ยาวหัวมัน ถึงฟลิกทั้งขิงนี่พระพไท้เจ้ากิเลสว่ามดคือเฮ้าสันเฮ้ามัดกิเลสแล้วสันเป็นคนมากๆหลายกว่าเฮ้าสันทบบริพาชกเฮ้านี่ยังเป็นซี่โป่งซี่เปลือยมูเฮ้ามโนหอดผาเอาไหม่แล้วใม่บางสวมบกกรอไว้สัน ผู้ที่เจ้ายังมีกี่เดือลไรกข้อหามน่าล้องดีที่บ่ได้หลอกนิมนต์ไปสานอาหารในบ้านในบ้านผู้สาวนมๆแลวบ้อนุ่งสินบางบางเห็นหีกุจูกิจีด้ยเสแล้วบาดเนี้บักระดอพัดแข็งขึงกนก็แตกพอแปพแปลพอแปเขาเห่ทับออาได้บ่ไปก็ไปตกหลุมก็พอาดนัน นั่นวันดีต่อพระสวสดา์บัณฑ์ะไม่ม้องคอยบอกค<ห>ักบ่อยเจ้าอีทานผู้ยิ่งยืนนี่ก็อย่าหัววันกลางไงมันมีปัญญาเนี่ยนั่นมีความลับดอกมีความลับผลิตสร้อยที่อย่างนาทีโรกเกิละหัวหน้ามีความลับมันมีบอกได้โลก มั่มันจังพริกงเคงนี่มันจังเถิงทำมันจังสี่มีค่อมอยากอายได้วะหลวงพุทธเจ้าสอนไว้ตั้งตาลหน้าละ่ะ <c oughs> ผู้ชั้นอาหารบินทะบาทไม่พิจารณาอสุภะน้าค่ากำเลิบมากเนว่า มันพี่พี่กณาอสุภสวบโลดสวบโลดว่าสั้นอสุภกรรมฐานถ้าท่านทั้งหลายการมาวิตกไม่มีพยาบาลวิตกไม่มีวิหิงสาวิตกไม่มีในจิตในใจไม่กัดจินจิตจินใจของเธอทั้งหลายแลย้วต่อแต่นั้นเธอทั้งหลายจะถึงพระนิพพานโดยง่ายถ้ากรมวิตกความติในทางการมพบ ของพวกท่านทั้งหลายมีอยู่อุปมาเหมือนไม้ที่ชุ่มด้วยยางทั้งแชกอยู่ในน้ำด้วยไม่สามารถจะสีให้เป็นไฟได้มิโตก๊กพระยาบาลวิตก๊กวิหิษาวิตก๊กขาดไปแล้วมันก็พระอนานาค่ามี่เทขันออกไปจากหันมังก็เป็นพาาระรหันธ์ท่านนี้ แต่แกชักเครื่องไรก็ตามสบวัดตพันตะมื่นพันสากระซางซึ่งหัวล้านคุ่ ง, งอนก็นตามขมิกงกาบวโตกพญาบาทวิตกกจิจิติจใจเยอเรียกว่าเด็กหน่อยยามว่ท่านแกเเนาะเก็บว่าปวดเอได้พกเจ้าจหัวดำสลิดก็ตามจ้าอ ย, าอยู่ในเกจปีก็ตาม กามวิตกพยาบาด ว, วิตกวิหิงสาววิตกบุกัสจิตกินกิตใ จ, ตจแหละพุน่นนเขเรียกว่าผู้แก้ศีลแก้ธรรมพระพุทธเจ้านัน่นพระพุทธเจ้าบอกเขาน้างวิสาขาหันไม่มีเนี่ยเป็นขติอันนึงอยู่ ขาวที่พออระองค์เกาไปอยู่ป่าเร่ร่อนนานมากพอหนีจากพระไปพระที่แตกกันในเมื่อโกสัมพีนะพระองคเก่าเลยรนี้ไปอยูู่นเดียวแตกกันในเมื่อโกสัมพี่พพดดแตกกั น, นเกกพราะเหตุใดพระท่ามากระทึกนั่น กะมีแต่พุทธส้นคนหนามัดมีบริดว่านหาลอยพราะวิน่าทอดน่ยก็มีแต่มีบริว่านหาลอยคือกันพัทธาบังก็ถือกันไปท้ายในฐานประเนีไปเฮ็ดบังน้นนาราอุจละนัะ่นเหลือไว้ในกระบอกมเทออกหมด พอวิ่ได้ทอดแล้วพอเห็นทำย่างนี้เป้อาวัตทุกดเพราะไม่ใช่สวมชวนตัวผู้เดียวสวมชวนร่วมถ้าหักว่าถ่ายอยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็มาทายเดี๋ยวก็มาถ่ายประจุทองนั่นเป็นสถานหนึ่งวะอันนี้เหลือไวนอย่างนี่เป็นอาวัตถุกดนะนี่ถ้าไม่ผู้อื่นรังเกียจเพีงยงแค่ประเทออกหายมันหมด ิงจังปลาล่างให้มันดีปคั้งไว้ในกระ บ, บอกขยันโตปลาล่างขี่ตัวขีตัวเราประครั้งไว้แลมันเทออกหมดออกมาโจอดอาบัตกันโจอดอาบัตกันอาจารย์พย้อาจารย์มากับพ่อเหมือนกันแล้วแบบนี้พอมือนกันเป็นแล้วบานนงนีแ้แพกแว่าอาจารย์พยถือก็ท่าไรก็บ้ฟังพอองกแก้วก็้าฟังอีกเออ จองเจ้าน้ามาฟังองีกอย่าทะเลาะวิวาดกันเว้ยลุกร้านดิให้สังเกตได้ผู้เขาโจทย์ตนเขาเป็นคนมักถอยมกักขวมบ่แลอันผู้ถึกโจทย์อันอันผู้ที่โจทย์เขาดันกระดายเขาเป็นคนเคยลวงพระเวไนยมาบกบ่จะก็ไปโจทย์กัน นาสักนาไร Again, ่ก <kas ada S 1> ็ดอกกระดิ่งเป็นพักบางไงก็ดอกเกิดเป็นเชือกลางเมืองขึ้นทั้งลาหาร้อยหาร้อยพระองค์เจ้าไปบอกกับพระฟังองค์เจ้าไปบอกกับพระฟังดืพระสมัยนั่งเพียงผมอยู่ไายกว่าไม่ทา้งอาจารย์ทั้งภายหน้าที่พระพุทธเจ้าตัดสินเปพียงแกงมาตัดสิน ท่นติดตัดสิ้นโทษวิธีไกลเกียกันวิธีระงับอธิกรณ์ตินนวัฒาละกะวินัยมันจะโบมีนในอนาคตพระพุทธเจ้าเล่นสิเพื่อที่จะบัญญัติทุ่มนี้ความให้ปนีปณนบ์บนทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกตินนวัฒาลกาวินัยวิธีระงับอธิกรณ์พระองค์เจ้าสิได้บัญญัติอธิกรณ์พวกอันนี้จึงห้าวบายนี้ เขาใบนี้ไปนะสร้างตัวนึงเป็นสร้างไงสร้างเถ่าคนร้องามากินหน้ามาสร้างน้อยไปก่อนที่ยู่กินใบอะไรเสร็สร้างน้อยตัวมันไหวขวบปั๊บไปกินก่อนซะให้ตกเข่าหนุนท้องให้ตกเหยียบหนุนน้าหลังมนันีสร้างตัวนั้น อยู่กับปลาเป้าเมียต์นีม่อยู่หัวมันน้าใช่ปปส้างตัวนั้นคือจรงใมั่เมีตาม่มีสูงพวกนี้่เจียไปกินน้ามาได้แล้งไปกวนคุณก่อนาบว่าส้างตัวนั้นคือจริง่จแล้อหนีจากมูพระองค์เจ้าคนนี้จากมูได้หมื่เดียวกันมากคนละทิศแลวไปพ่อพระองค์เจ้าอยู่าลักคิตตะวันผลท่าน น, นนี้จากมูส้างมาท่านอีพระองค์เจ้าคนนี้อาอุบายนี้าอุบายนี้นะเลยว่า เล่าสิไปคนเดียวเล่ามอนี่เลาจไปอยู่ปาลักิตตะวันคือปา่าเรไร่แล้วพระอานนนก็จว่าหายไปพระอานนจะให้เป็นทูตเบิง้งพวนี้ที่มาพูดจางไหนสิว่าเขละะองค์เจ้าพระอาโนนบอกให้ไปเล่าไปพูดเดียเ๋ยวเล่าพระองค์เจ้าเลยเขาไปซังญานโยมอัจมาสิว่าอยู่แล้วด้ยจะถูกคอยเนอะมาช่น ช่วยปลาเลาร่ๆก่อนนะนสิช่ อ, อนนนาายยูพู้เดีวยวแตัพระอนะุนก็บอให้ไปแล้วค่อยอาตจมาเนอะแสงาดจสก ง, งมอันนี้ว่าวันอื่นแสกมาสะกก่อนสิผมเด็ดเดียวถ้ได้สัตยพระองหนึ่งมาวันให้เขาว่างผมเขียนให้โยมมันขึ้นผมกันนี้เลยพระสิทีมของไว้พระสิเข้าคือเห็นดเรื่องนี้ฮะนี่เข้าก็เลยได้ผมว่าใครคนนี้มาเด็ดเดียวได้ทานอะ่ะผมให้คนนี้มาบ่งหุจักพาวีนัย คนมโหโซโ ซ, โซ แ, แต่พะพุทธิเจ้าสินี้จากป้าเล่ไ ร, ระพุทธิเจ้ายังไปสังส่งนี่วะสัง่งอยากสั่งงมวาพระวินา ย, ยังไม่ยูมนี่วยืมสาสตร์ยืมงอนเขาไปนอนอยู่ในห้อป้าใหม่มื่อนี่สินี้ไ ป, น, ไปนี้ไปซื้อโซกุโซงแงงทรงเอียงเขาจัดผมเห็นทั้งคนโทษ ะ, ะคนมบมอบคอบคนโมโหจักพวินายคนเ็นสัมมาา่นผมบอให้เขาเนี่ย่าผมบอกว่าคนใจเ ด, ด็ดนี่วะคนสี่จากอวดเานใจเด็ดขัเทียดหันยาโยมานี่กัืดพวกคนนี้ไลยเรียว่าั่ ผมเบางคนจะได้คนมาหลบครอบคนมงจับพอมีน้ยว่าสั่ตัมองสิแก้ขลุดปู๊สุดเยเขาหลเติมอยู่เออเาเรื่องเอเรื่องเนี่ยเร่งพรองเจ้าเนี่ยทานที่มีพระห้องผู้ี่เชิดไปทางนาสนอกสีอวดว่าตเกางวันตใจถึงวดตูบางอนานงอนยมเป็นคนเด็ดเดียวเชยดให้เขาปัจนนี้กังข้ามขึ้นเตะคู่เตะแข้งไปที่สนอกชวาไว้นี่นะ ผมคนเดียวเราคนหมดติดยาตินในผมมันก็พิดมากคำเคืนพ้กันหนีปฏิวัติเสนออกถ้ามันมียันโมนี่กันบ่มี้วก็เล้วไปถ้ามันจะเอาไปใช้เสดอกก็ชีวะองว่านี่ว่ามื่วแต่ว่าปรามัดได้ปรามเมิดกับบ่อกไดมันน่าเมิดไอโมนี่ก็ บ, บถ่ถือกัอน่า พวกนี้นะฮะนี่พระอนุนเขาอยู่นะั่งนีพระไอเมยฮะเนียเขาว่าสายบาตรธุกิจตีถ้ด้เจ้าอิทานอ่ะพระองค์เจ้านิยอนพระพวกนี้บอกอยากบอกซ่าเขาสัน่นพระองค์เจ้าบอกแล้วขายังมาฟั่งค่วมพระเจ้าพระองค์เจ้าจะได้หนีหนีไปอยู่ปาเรไร่ายไปขนาีไม่สร้างไปพ่อสร้างท่านอีกขึ้ น, นสร้างตัวนั่นก่อ ตั้งใจไว้ว่าขันพระ อ, องค์เจ้าบ้านีข้าพรเจ้าเขาปฏิบัติจนวันตายสร้างตัวเองเลยปฏิบัติพระ อ, องค์เจ้าพระ อ, องค์เจ้ายุปาเร่ร่เพื่อเดียวถึงย่ามสง่าม้าสร้างตัวเองไปหาไหม่ไพ่มาสีไฟสีไฟดังไฟเขาเผาก้อนเห็นกึ่งลง กึงล่งอ้างน้าอ้างเห็นแล้วก็ไปมุ่งจะพู้าพระองค์เก่าโอโตันตอนน้ำเราพอสันตัวิมาม่อนเาไปส่งน้ำพอสันตัวเก้า็เลยไปส่งน้ำดีใจฮะเนี่ยมันขึ้นมาถือขอนพอข้าตัวนี่หลับตะเวนอยู่ไพสิมาถ้ามันตะไลพระองค์เก่าแล้วตีมันหัวแตกพอสันตีมันตายพอสัน ก็มีผู้ใดสิมาเนาะไปหาหัวบัวมามาตำแทกระบอกหินถวายพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าไปบินธบาตปลาลักคิดตะวันลงไปเน่ะถืออาบาตและกีวอนพระองค์เจ้าไปน้ำเป็นปลาลัดคือสิบยวบมันปลาสูงสิงจังมูเฮานี่ยเนาเป็นปลาลัดคนเฉียวเพราะใครดูพระองค์เจ้ามาโตจะขับปรกายบาทเลยเด้อเขาเห็นห้อยตเขาชิ่นน้ำไปห่วงง่าตัวเด้อ จะเขาไปใกล้บ้า น, นเสียงห่อยนี่บอ ก, บอกสร้างก็เลยกองหุจักพอใกล้บ้านพระพุทธเจ้าจะห่มผาพอออกมาหอดหันหอดบนสร้างรีอยู่แล้วสร้างกับเสียงห่อยเสมอมือๆก็มหาบอาบบาทพระองค์เจ้าก็ผาสอแสดงเห็นว่าข้างพระพุทธกาลนั่นพุทธิยู ป, ปายแทะใกลก้ทีเข้าบ้านจะห่มผาว่ามันห่ม อ, ออกมา มีเจ้าพระเบี้ยงเราจอนเราจอดมากสร้างอุปกรณนมาสนออกยนนิ่นั่นยิ่งนแล้วเจียนออกกรณ์สาเศรอุปกรณ์าเนี่ยนั่นเมื่อนี่เนี่ยสีอ่อนเป็นอย่างยางของมูหามูฟั่งน่ดีนี่กอสีอ่อนนิทานมันก็เป็นนินทานธรรมะมันที่ผิดอีกย่งคำนั้มันบ่มีประโยชน์ปฏิบัติาไว้หยังไปสูบฟทีมะเียงสันพรต่ิดกคเว่าอยังควาน้าแต่ปริญญาต์ปิปปปออนนปปว่า มันก็แม้นปริญญาต์มดเนี่เหนือนังมือนีพบคนเลฟันมือน no. ีปริญญาติเงียบใช่หมมืดหูก็แม้นผู้ฟังเนี่เนื่อมันปริญญาติเงียบใช่หูโสตอันนี้มันปริญญาติศรัทธาบอกมปนเสียงมาั่งนั่นอันนี้คว่าถือปริญญาติเป็นอย่างนัปริญญาตปฏิบัติปฏิเวทจ้นทนั่งก็ถือเนื่อจันเนื่อก็ถือกระดูกขึ้นกันนะอันยากปริญญาดปฏิบัติปฏิเวทเลนปริญญาติเงียบคำว่าในกายปฏิบัติก็บัดกาย ปฏิเวทผลของกายไม่แกยใจบอกลัวิสกรมันี่มีผู้แซงบอกที่นี่ท่มมี้ท่านเกิดว่าอึดควบเทศปฏิวัติยุมว่ายุ่ ม, มว่านี่บวได้สันจังหันตีเด็เขาว่าใส่บาตรใส่คน<อ>ันเนี่ยเออแล้วไปย่อมกันแล้วบ้านโอ้ยพวกพุม พูดไปดอกว่าั้นมูอห่าวก็พูดไปเลว่าันจนให้เขาได้ทราในรือง่องค์เจ้านี้จ่าจนเขาว่าใส่บาใส่พวกฮันกิจมันก็พูด้าทีเตมานามูห่าวแล้วพวกผมก็โจดท่อนพูดดอกว่าสั้นองหนึ่งผมก็คือการละาสั้นองหนเมื่อพวกท่านโจดแล้วก็ยอมแสดงอาวัตทุกวัแสดงกันเรียไปที่น้อาสันเฮตเตเตก้าาบัขีกันก็ดอกกว่าเสีย แล้วย่กันพ่อหนึ่งเลยตั้งใจพอนนะ่อหว้นะได้สำเร็จพลัรหันมดในพัฒชานพ่อคนสเร็จพลังหันมืดในพัฒชาน่ะพ่อออกาแล้านี่นะสร้างต้นปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ที่เก่าน่ะยุ่หลักปาลคิศตะวัน คนเพื่อนคนนี้ก็ทิปติบัตทาตายนักศึกาอยู่สั่หรอให้ดึงสงสั่งอนองค์มาอยู่กับสั่งนางวิสาขามำไมนี้ม่นพระอาโนนหมู่เหลือยมแต่ได้คือฮาบวอกแตะอาโนนเนพระอาโนนเขให้พระอาโนนพระพยายามพระองค์เจ้าเนี้ย กูกล้าไปถ้าไปพูดเยอยากพูดง่ายมันไปทั้งมันพันค น, นะถ้าราหาลอย น, น, าายอ น, นั่งมีสาขาอะไรสั่งนี่โอ้ยก็จะพยายามพวกองค์เจ้านะขอให้นิมนต์พวกองค์เจ้ามาเนี้ยข้าพระเจ้าวได้ตักบาทพนเมือ่อภาษาปีนี้มาขึ้นหอดพนนี้าั่น สร้างพระอนุนไปพ่อไปหอดพุ่นแล้วพระอนุนก็เลยว่าอย่างฉันล่ะพระ อ, องค์พระในเยินอย่างฉันกันว่าแตงบกักแตงพกมานี่ว่าหายมันเป็นยังงขันผู้เขาเหลื่อมสายแท่นเขาสั้างข้นไปนีมนไงจะจะไปถือตัวคนไปให้เขาทำไมม่ตะเก็ยบต่ปวยหัวจังสันดอกเขาไปขันตีนีมั่นก็ได้ผู้เขาเหลื่อมสายแท่นผู้เขาทาั้งทิ้งทั้งทำพวกข้นถือตัวว่าจังสันดอกเจ้ามาบอกเป็นย่างย่างของมูนี่ สร้งมาซื้อคือพ่กเขาลงรับถือแทบว่าไปหัวมานาก็าปฏิวัติสนอกว่าพวกเขาทั้งสินป์ทั้งถ้ำแล้วเขาสั้งมาซื้อก็ต้องไปบริษัทหน้าวั น, าวานเวรใหม่แต่ห้ามีอุปรสรรคว่าย่อยไปถือหยดถือซักว่าจะสนอกมันสิเอาเป็นประโยชน์เป็นวันนี้นี่วันหนึง่งมีหลายบวอนอยู่เรื่องพวกเขาลบผู้ถกผู้แก่มุ่นนี่หนหาดสร้างนะมุมีต่ำมุ่สูงมุ่นนี่ดีเสมอเหมือนมันมีมาแต่ในครั้งนี้มีในวมาแต่ขรั้งพระเจ้าคน เรื่องมีสูงมีต่ำมีศาสนาเนี่ยไพก็เป็นไงไเต็มพูมมายุ่งก็เป็นมงยุ่งเต็มภู่มพ่อเป็นพ่อเต็มพู่มแม่ก็เป็นแม่เต็มพูมไปเตะดักตบหัวอะไบ่หัวองสันเอาหลอดว่ามีสังดีหน้ามัะมันเป็นสักดีหน้าอยู่ในตัวเีพระโสดาบันก็เป็นสักดีหน้านี่นึ่งนี่เขาสันสมบรไปเอิ่นเชี่ยวไปพุทธเจ้าสันสมบูณไปเอื่นเชี่ยวก็พอบุรุษลัาษณสันสิวองสันไม่กันเดียวกัน ผูมีจิตออนเอียงว่าวัวววสดุสักนีหนะฮามันเทียมันมีผนอยู่นะมั น, นอีแต่เนาะใบมันคือคลังแค่บาทเดแตเนาะผูมีสูงมีต่ำห้าม่มีเลกก็เรกไปแล้วว่าถาไปพระนู้นก็ไปนะไปหอตีนเขายุ่งอยเเนื้อพกตัเดเขาขไปหาเฉพนกกื้อ เราจะยอ่อเลยนีย่อยู่ในธรบทพิสดารก็นี่เลยนี่พอเขาไปหาพระ อ, องค์เจ้าสร้างตัว น, นั้นเห็นแบบถือขอดแล้วบัดกูศิเบิงพระ อ, องค์นี้ก็นะมันมีขวารวัดบา่างมาว่ามันมาว่างบาทบนพระเจ้าพระ อ, องค์เจ้าค่อยว่างกุตีหัวมันมันถือมมีขววัดพระ อ, องค์นี้นึกในใจเงังสร้างไ สายเสด็จที่พระองค์เจ้าเคยตากผ้ามันมันมาตากหัวหมูจิกข้อนตีหัวมันพระองค์นี่มันจะมีขวัดบอว่าพระอาโนนเกิดยากแน่เนี่ยเพราะเป็นพระโวสดาบวันอยู่ดิน่อว่านเป็นพระหัานเนี่ยเป็นพระโวัสดิ์เนี่ยเก็ดยากยู่ได้จักหน่อยเมื่อวันพระองค์เจ้าค่อยว่างบาดพ้นว่าไปว่างไอ้ทีพ้นสังเกตได้ดิว่าพระองค์เจ้าคือจิตนังฉันวันนี้คือจิตตาผาวันนี้เสื้อตาเสื้อตาผาพระองค์เจ้า เพื่นไปว่ามันอื่นแท้ที่เพื่อนไปตามมันอื่นเรืยว่างคอดมันพระองค์เจ้าเคยนั่งเคยนังเพื่อก็ค่อยหมอกค่อยข้านไปเพื่อก็เพื่อไปเหยียบไปย่ำพระองค์เจ้ามาตัวจะไปโศกใสเด้อไปสั่นพระอนุณพูดอุปถาของเฮาเธออุปถาเข้าบริวังเพื่องาเพื่อลาบเพื่อโยติอย่างวังเพื่อกุศลพ้นบุญล้วนๆเด้อไปสั่น มวลระวังเพื่อเอาหนาอกตายัางเทอปัถนาเป็นอุปถาของฮามาแต่พระพุทธเจ้าที่ปังก่อนอ น, นอมาทรศรีญี่ปุ่นมะตัวยังไปสงสัยดิยมาจะวานนี้เห็นพระเสด็นมาลาดพระเนด็นอีกคึืนองกาหนอ่ะไม่อยากให้หาาาใมาเขามาเป็นตาที่แตกเลยมา ก, กวนพระของเจ้าหิยังจิวัตรละคือ พระสมเด็ก็กเลยบัย่าติเนี้ยของเป็นสำเร็จพระหัานี่เรียบว่าสำเร็จพระหกาพระองค์ก่าเลยว่าเออมุตัวจะไปรงสยัยเลอรักจิตตะวันอะไรวะพระนิรัยพาะจำพวกนี้เป็นพรเนียุกคนหมดแล้วพระนอธรพระสาวของพรนเรียว่างขอดก็นอนเนี่หันที่เป็นสามขึ้นหมอ สร้างหอไปหาหมักใหม่หัวมันมาถวายพ้าประเสริบัดพระองค์เจ้าศิลากรับคือมันสองขึนคือหรือสามขึนบกหรือมันขึ้นเดียวบุบสัตววันนี้รัดพระซุ้มันคัดนีมัดท่านสร้างจะเอาพระองค์เจ้าไว้ท่นให้เมื่อชาตึพระ่มนี้จะเอาพระองค์มาที่รัดหนึ่งแข่งหนึ่งแข่่งแข่งว่าไป เราเสียรักษาพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าเลยวะวะโตเป็นชัดทีาาละสารนะท่นโตก็ได้แต่ควบเลี่ยงใช้ชัดท่า น, นั่นแล้ววะท่านโตชีมาสมาธิเซมาบัสกับอะไรแล้วอันนี้ใช้ของโตก็เสีได้เป็นพระประเจกองค์นึงในอ น, า, นาคตผลส่วนรีกมีช่างมาเลยวะรีกตัวหนึ่งนะฮะห้องผึ่งมาให้พระองค์เจ้าสัน มันมันห่างไม่ไหมคือมันเป็นเอามาจากอะไกับ อ, องเจ้าพกรเทไหนพระองค์เจ้าสัตติสารเทศไหเทศ น, นั่ยกองค์เจ้าออกมาสิสวรรคําำพึงคือมันพนชิมีูกพึงตัวนึ่งองเจ้าอาางค์งงเจ้าเรยว่างนงงงี่ยัอันนี้เขา้างมันได้ยิบอัน ตัวมันออกตัวงว่างมาบนเอื้องแ้วมาถวายพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าปันเห็นดีใจฮนี่เด่นขึ้นก็ไหวก็กาะแก่กาะแก่กกอกแก่เมื่อเทิ่งรลืบตัวไปกระโตกบลตายข้าหันไปเป็นเทวบุตรในเมือนั้นเทพบุตรลิงเป็นโอกพาทิกะเกิดพุดขึ้นเป็นเทวบุตรในชวงสวรรค์ผมระประานพระองค์เจ้าว่าช่างและบ้านนี้ ตัวสามารถที่สามารถบาดบ่ได้ตัวประชัตทรัชสารก็ได้ต่ควบรวบใช้หาร้อยย่สิบแปดน้ำหอมอายาดอกอาสั่เาถึงเมื่อพรพอนุ่นงกิจังวะเน่ะโอ้ยนางวิสาขากระชังให้เมื่อวานนี้ละวันส่วนอุากรณ์มือานเพราะนางวิสาขานางวิสาขาคืนหอดไริใช่บาดอยากถกผงเก่าอลเทือไว้เออว่าสั่งจะแจ้งมาเท่ากจังเสียใจบ่ได้มาน้าเพิน ใชรว จ, จบนในวมานำเพลนมูบเล้วก็ะโอมหุ้งหงตายเลยไปเกิดเป็นเทวบุตรใน่มือนันเป็นโอกระฟาที่กะเกเกิดเทวบุตรชื่เป็นพระพเจกองค์หนึ่งเมื่ท่านลงมาเท่าเดียวนี่พุ่นถิมงลงมาพร้อมป้าธียามตไต่ผลช่างศิลด้มาบวชในศาสนาพระทียามิตไต่อีก แสดงมาทำบุญห่วงซอแสดงเห็นว่าเรื่องไม่ต่ำไม่สูงมันมีมากต่พันไดเท่าไรเอาลอดเป็นธรรมเนียมสามาแต่ะพัดได้เท่าไรขันเมื่อเป็นสั่นสิบ่ิหารเลื่องสาพระพุทธศาสนาสิวาจังไรสั่นมันไม่รักไม่เกลียดเขาเราเขาทีทุกสันทุกมุมสร้างมารมีมากถนนศาสตท่านนิศาสตร์ข้าสอนเป็นอันเดียวกานเมืนี่ ศาสนาอื่นนี่มีคติอย่างไนนพอแม่พระเยสู้วางในเยส่วัดสมะตากบวกสายบวกขวอที่ว่าอยางในยา ส, สารสมอศาสนาอื่นคือกานมันมีรักเกนสารใ น, นยังทอศาสนาพุทธตอนนึ้นเขาโจมตีท่านเอาสเอาสื้อเอา่อาม่โจมตีสาระพัด เออเอาซือเอาซือบรักว่ดจ่ายบริษัทมาเจอเขาสร้างคนข่าวเ่อนาวมาท่าโจมตีมยุบมิคือเมื่อนล่ะยุคทุกยุคทูกสมัยของาศาสนาพุทธล่ะเขาโจมตีนะพวกซี่โป่งที่เปื่อยมือ น, น, น, มมนี้ก็ขึ้น ก, าาาากันไม่มีมาตราไดผลพวกซี่โป่งที่เปื่อยยังกรไดพวกศาสนาพามกับมิมาตราไดผลโจมตีกันยุบว่านอ่ะดีไปตีมากก็ปั่นเจ้าของก็ถึงจะพา้ของยุ่งเก่าหัน ควงขวัญได้ก็เขาไก่้ อ, อามวยเอกประทัดนี่แมนบอ่อถึงควงไกลมันผมว่ถึงดีนั่นอันนี้ว่าของมีประโยชน์องไงมีประโยชน์ให้โม่ให้หเพื่อนเหลื่อมใสนในพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นให้โซ่เปลี่ยนโซ่ตายในพระพุทธศาสนานี่ยข้างมหาปรินญพพานสวด เจ้าไปปริณีพานเมืองกุชินารายนะมันเป็นเมืองกิ่งเมืองดอนไม่ควรมาปรปริณีพานในเมืองนี้เว้ยท่นร้าพระองค์จ้มันมามันเ ม, มืองกิ่งเมืองดอน น, ดนี้อูนนน่เว้ย่านเข้ามาอยู่นี่แหลายศาตร์เ้ยได้เว้ยท่นเข้ามาหายท่านอยู่เมืองกุชินารายนี่หลายศาสตร์แล้วอันนี้เป็นศาตร์ชุดใายของเขานี่ศ <ừ. S 2> าตร เป็นสัตว์ที่เกตเท่าล่ะนี่เฮราในม่าเมืองกุทินาล่ายนีนนแต่ก่อนวัดโดยรอบได้ที่สองโง่เ<ช>มืองอันนี้มีพระเจ้าสุทัศน์เป็นผู้ปกครองเ<ช>มืองอื่นๆเขามาขืนมัดบริลบได้เร็วเพราะเฮ้ามีโรคท่านต่างพันบอน ท่านเก้งกข้างเฮ้าเป็นพระเวทท่านดอนอีกซ้ำเขามาเนี่เป็นวงขึ้นเฮ้ยาหมดพระญาติสุทัศน์ก็เป็นเฮ้าหนี่นะบนผู้อืน่นแล้วเฮ้าม่น า, มานี่มันสีมีประโยชน์ชีวเทศเอา สุพัทาผู้บวชต่อแก่ผู้เห่าทัศลูใหม่ๆ ไ, ไปผ่านไปสิไปสิไปเทศดันจาวัคทีนอุปการออกเดือนสวนทางมาห่ยท่านฤทธิสวีเสามิฤทธิส ว, วสวีของท่านพอมใช้ามากท่านเป็นอาจารย์ของไผ่นผู้ได้เป็นอาจารย์ท่านโบรเราเป็นสย่มผู้ทัศรูเอาเองพูดอ่นเพื่อนในปัเซเพื่อนในซันศิษย์สารเพื่อนใไป่าไ่น นั่นน่ะแหะพู้นั่นะเาดไปบวชนีิงวะทั้งๆหลวงด้ไปบวพชพู้นัน่นพูดนึเ่เียปชิมาสาวกปัมสาวกคือพระกนทัญญาปัิชิมาสาวกสิแม่นผู้นี้เด้จสาเร็จพระหันนขึ้นนั่นลวงพพระนนทฟังสัเทศพนิชอนไปเมืองกุสินารามัน ม, มันเมืองน่อยเสียงคนร้องเรียกกันกินขากรบรขาดเสียงกลางสะดานกระบะขาด เสียงสังกระบอกขาดเสียงตะโพนกระบอกขาดเป็นเมืองไงเมื่อนั้นก็เลยอันพจนสุภัตบวชต่อแกน่นก็เลยกราบทูลพระองค์เจ้าสมสนาอืน่นมีในศาสนาอืน่นบอเขาน่อย ขันเขา บ, บ๊บประมาณนนยัญญาวิธีของเขานี่ยมีสิมีพระโสดาบันสัคทาคามีอานาคามีอาหารหันต์บ่ขอหน่อยสั่เขาจจอบ๊ บ, บรประมาณนันยัญญาวิธีของขจจ์ยาเลยยาเลยยาเลยลเราไม่เข้าข้างตัวแล้วพูดเป็นธรรมานิปไตยขันมนตที่สี่โสดาบันสกทาคามีานาคามีอาหารหันต์ไม่มีในศาสนาอื่นดอกทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยผูกขาดจองขาด รูปะทเธออย่าไปสงสยัยเพราะศาสนาอื่นมันนักไปทั้งวัตถุนิยมมันมาเป็นอุดมคติเพราะเขาถือว่าพระมรรคเป็นพระนิพพาน ม, นมันบาเมียนที่เขาจือา้อศาสตร์ว่าได้พุทคุณเปนภาวนาเมตตาภาะวนาเมตตาตายฆ่าเมตตาหลือมันมาในพิจนาลงถึงอนัตตามันยังถือว่าเป็นสัพย์เป็นบุคคลเป็นเล่าเป็นเขาอยู่เพราะฉะั้น มันยังถอนอุปาทานมาได้มันก็เลยไปเกิดได้อาคัสตราพมเมื่อมันมีอายุยืดนานมันได้ลืมเลิกเข้าใจว่ามันอันนั้นเป็นพระนิพพานนะครับถ้าขึ้นเป็นจริงมันเป็นท่านโล ก, กีมัอนมืดอันนี้สงป็นเหมือนกันลาระดาบุอุตกาดาบุรล่ามบุก็เหมือนกันนั่นแหละพระองค์เก่าเป็นผู้มีสัญญาเขไม่ใช่เป็นผูไไ้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เป็นผู้มีค่วมจำก็มาใส่เป็นคนบูมีผู้ค่วมจำก็มาใส่บริกรรมนำยล้วจิตายฆ่ากันนะพระเกิดในอารมุปภพม่8หมื่นชีพันกลับย่งสีได้ลงมาเป็นชัติทาสารเป็นมนุษย์วนเวียนในวาระทรงสารโย่เหตุฉไนพวกนั้นเหตุฉไนพวกนั้นจึงบอสา ม, มารถเป็นพระชนาวันได้ พโมาช้านทุติยชาชานตะตี้ยชานจะตุติชาญอาการช้านจ่าวิญญาอาจินจัญญาอิธนะเนี่ยสัญญาหนาสัญญาอิธนะกับพี่กหนาห้อมกันอยู่เพียงมันจังจังบ่ได้พระโสดาบันกระเพาะมันไม่คอแม่แค่คอหนึ่งมวยอมเถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอัญเชิญสาธุเทศถือรัติศาสดาอื่นอยู่การถือศาสดาอื่นไม่สามารถถึงพระโสดาบันนี้ ถือศาสนาผ้ามาปวกับศาสนาพุทธก็บว่าสามารถถึงโลกอุตละของสันเอาหลอดว่าครองพระเจ้ายังแรกหน้าขวนอยู่เนี่พปฏิวัติวะพ่อพระองค์เป็นพระพุทตเจ้าหรือข้าเจ้าเศ้าหลือเนีุ่่มที่ลงพระองค์ซุ่มมาลงเขาก็บ้เศ้าแล้วสีวะยังไงสันเห็นสันพระพุทธเจ้าจึงบันดาลในฝนตกลงผู้ใดประสงค์อยากเปียกอะไรเปียกผู้ใดประสง์อยากบัประสงค์อยากอะไเปียกกับบ้าเปียก พระ อ, อองค์เจ้าเขาไปยามบ้านพระชิตาบุมีผู้ย่อมไหวได้เกิดหัวงแต่ไม่ย่อมไหวายพระพุทธเจ้าได้บันดาเนี่ฝนตกติ้คันนี้เ <c oughs> พื่อได้บริจาคเปียกกับยให้เปียกเนอววะสันไปต้องการเปรียกกังย่างเปียกวะสั น, นพระ อ, องค์เจ้าก็เลยนี่นรมิตทีฟุนขู่ลงมาหอคือเพื่อเรื่องอากาศฝนตกหัวใสง่ายใจปี่ดใจนองจัง ย, อย่อมไหวพระองค์เจ้าเพื่อก็เลยเทศเรื่องพระเวทสนนันฮดรคันนี้เรื่อง ฝนบวกกระดภัตตกบ่มีแต่ขังนี่ข้าพระเวท่านดนอนกระโต๊ะฝนบอกบางอ่าก็บอกเรื่องเก่าให้ฟังอันนี้สำหรับปลุกศรัทธาได้หนี่งผู้ยินดีนะถ้ามสาุสศาสนาของพระพุทธเจ้าคณะกิจหนึ่งยินดีได้คำสอนศาสนานอื่นล้านคณะกิจ ก็บอมีคุณนคาทอคณะคิดหนึ่งที่เดือมใส่ในคําสอนของพุทธเจ้าของเราบอกสัเอาหลดว่ามีต้อนรับปัดทาสั่นตําสั่นสูงถ้ามันเปลี่ยนจะไมีสันต่ําสั่นสูงค ำ, อำบอกทํำจะระบาดมันเป็นทรงต่อผนิพานเมื่อจะมามีสันตําสันสูงมันจะํา น, ำนำ้า มันก็มีต่าไม่สูงนั่นคณะคิตของบุคคลผู้เห็นธรรมเดธรรมจะมีหลายสันสิมีหลายสันปนดก็ตามก็มีโรคจีกับโรกอุตระสนะโกุตระก็มีีสันตัวาบันกทาคามีนาามีอัหันสนะรถของพระอัหันรถของพระอัหันพระพุทธเจ้ารถของพระอัหันพระปเจรถของพระอัหันพระสาวกเป็นรถอันเดียวกันบ่ก็อันเดียวกันละอ้าวันบว่ารถอันเดียวน สมเด็พอบรมร า, า, าชาไม่กินเกลือทิเค็มเือกันกับข้าววกัอันเดียวกันเนี่ยเค็มช่มเดียวกันเนี่ยบาั่ว่ามันพิษที่สั่์วันหนาจงๆคนถือบมีบาปไม่บุญไปเถียงเพระพุทธเจ้าถ้าเชาพระพุทธเจ้านั่งจิงๆอยรงีอ่ะเอย คนตายแล้วเกิดหมายพระองค์ตายแล้วศูนย์หรือหรือไม่ศูนพระพุทธเจ้าในนางสบายพระพุทธเจ้าจนมุ่มบ่มันไม่มีประโยชน์อุปมาคือว่าตาบอดอ่ะเฮียวิชาสดเขียนไปคนหน่อยนี่อุปมาคือว า, อางฉันอ่ะบอกวิชาสดเข็มนไ้คนหน่อยนี่อุปมาคือเปลี่ยนฉั น, นเฟิ่องกอระไรบ่ ก็เลยว่ปากมันไ่มีประโยชน์แกผู้ฟังมันประโยชน์แกเพลินแล้ท่านก็เพล่นลำเอียงที่พรสเจ้าเมื่อแหลืวบลำเอียงแล้วเขาไปเสาได้มันเปิดตาเห็นเสาเงินห้องจังเอาได้ห้องลำเอียงบัดสันมันบ่มันที่เอาเฮียงฉันึบ่เอาเมด่อฉันมันไผมุนคัดเลือกทหารมดเพราพอตีแบกปืนได้เขาลำเอียงบันเขาก็บ่เอาแล้วเฮอยงซื้อกระสิล่มซื้อใส่เรียขัวอยู่จะไปใส่หันขวานยังไหเป็น มันเป็นนาำเอียงดิอันนั้นก็คือกันมันเหลือวิสัยแล้มันเหลือวิสัยก็เลอยลอุเบกขาตามกําของสัตว์บ๊บบ๊อบอะประโยชน์ก็บ่อเป็นหากินน้าอุเบกขาหนาเดียวดิบางที่พระองค์เจ้าก็ต่อหลอดต่อเถียงอยู่คือเถียงกับนา่งกินจีนนะเถียงไปเทงว่านั่งกินจีก็เลยตกแค่นินสูุ ดังที่พระองค์เจ้ากถามย่อนถามย่อนขึ้นมากพระองค์เจ้าถามย่อนถามให้ัางเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งใด้ไหมที่อย่างนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าว่ามันพระองค์เจ้าวังหงจักพระองค์เจ้าหงจักอยู่เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจสักมันกับมันกับเป็นทุกข์แล้วเขาน่อยซึ่งนั่นมาเที่ยงขันมันเป็นทุกข์แล้วถึมายืนยันว่าเราว่าเขาว่าสารบุคคลมันจริได้ห่ือล่าข้านีไว้ยังเข้าสมมุติกันอยู่มันก็ได้แล้วเขาน่อย ขันว่าเป็นทั้งชั่นกับพวกท่านทั้งหลายกับจงรู้ตามเป็นจริงเด้อสันยะถาผู้ต่างสมมาปัญญายะธาพังสันรูปอดีรูปอนาคตรูปปัจจุบันเป็นแต่สักว่ารูปเด้อสันอเมทนาเน่อดีตน่เวทนาชุกทูกุเบคาเน่ปัจจุบันอดีตอนาคตหยาบละเอียดประหนึ่ก็คือการชญะสังขารวิญญาณคือกันเมื่อรูปขันน้ำขันคือกันผู้รู้ในปัจจุบันก็ดีผู้รู้เนอดีตก็ดีผู้รู้เนอนาคตก็ดีเป็นแต่สักว่ารูป ยุตยโลกเพียงนั้นเ้อพวกท่านจะไปกำนัรักไข่ยินดีว่าเราว่าเขาว่าสารบุโกโคนเลยนี่ต่างมามนี่สองสามสมามีไว้สั่งพอาไปแล้วพระนก็เนียพระหังหาแล้วของพระกันในพระโสดาบันในี้ถึงจตรวจพรรษาพี่องค์หนึ่งพระกุนชัญญากุท่นัโทนโยชนะป่าโมโคนเห็นเนี่นี้จังสัดกระทึงพระโสดาบันท่านเนี่ยมันสิยาสิะอ้ห คันเห็นนาสัญญามันกลบาวว่าถึงแล้วยังกินเจสมุทระยธมังสัพันดังนี่เราจะทามันติจึงได้สิ่งเกิดขึ้นแล้วมีความดับศูนย์เป็นธรรมดาโดยจะครอบเห็นอนิจจังสัตว์คันเห็นอนิจจังสัตก็เห็นทุกขังสัตวก็เห็นอนัตตาสัตวยังได้ตัวน่ะเขามันเป็นเป้าอันเดียวกันเป้าลูกเป้าหน้าเด้ยมอมืออันเดียกอนิจจังสมองมืออนาคตก็อนิจจังสมองมือปจิปันก็อนิจจังซะ มอดีตก็บมันทุกครั้งมื่ออนาคตก็มนทุกครั้งมื่ปัจจุบันกับมันทุกครั้งมือมอดีตกับมนอนาตตาชาวบมันใส่บนนอนาคตคือกานปัจจุบันคือการนั่นแะความสงสัยในโลกในท้องสามสิม้จับประตูได้อีกสละมันกับว่ามีแล้วถึงสีมีกิเลสกระซังมีนาทีสิต่อยสนะอยู่เหว่านทอร้ยเปอร์เซนพวกจากำลังมันและลองป้าเมืองเลย วา่วาไงว่าองค์สำเร็จข้าฟังเทศยู่งเพราะได้นะไสงสมมานั่นนะแล้วจะสากลกรมุ่นมาเห็นพระพหาหิยะบอกไปรบกวนฟังเทศพระองค์เจ้าอ้า คน้อยฟังเทศได้สันจอมะุนนะวันพระองค์เจ้าของเปิดทางเร้ซื่อรอกพจําเจ้าพองค์จักเวิดแล้วเจ้าฟอมะวนพวกมนบินระวัติเลันเนี่ยวะสันคนน้อยเสียวใจขน้อยวะอะได้คนน้อยตายมือินเด้ันก็ห้าพระองค์ตายมือินนี่แหละวะันมันจิได้ฟังบดเทศเลยสนเดี๋ยวนี่นี่แันว่าเสียวใจได้คนน้อยเลยสันพระองค์เจ้าของต่างทำเป็นบุคคลาธิฐานในพระน้ำกฎมูลพิจนาชื่ออก ก็ไปเจอพ่อทองจักเลยเออบอกาสักว่าลูกไปสักว่รรกาเห็นเน้อวะจัออพอแล้วเขาน่อยเขาสั่นพอแล้วเาั่นก็เลยอ้อมไปบ้านทั้งผุดง่วไปโดตายซะนอนดูปลาหยางหมูแล้วไปบินธ บ, บัตโทรแจ้งกับบินธ บ, บาตไปโอ้พระเทระองคนีนพาดแล้ะไปมูฮ กับบาทเงี้ยคกับบาทา่าฉันยังหาเงิจะพาญาติพานุมไปถวายพระเพเพิ่พนะครับพาทำให้ยยเจดีไว้พระเทศเราเลยสมัยนั้นเกิดสงสัยบังไงจีบาทเนี่ยพระสุขยพัตโกก็มีได้พระหันหารยหันพระสดวันก็มีพระกทาข้ามีก็มียังมอมมิติวิโชเบรเด็บภาษาบาลีขึงจักพสุขยพัชโกก็มีเนาะย่หันเมื่ อ, อ, อววดดสามารถถึงจั ก, กว่าหลาคิดของเบอไหนด้ สมาวางชั้นพระองเจ้าเก็นะโอกาสได้หลายอ้อมประหัรกับประตานเสวาวาพระเสระยกพอเข้าเทศดเดียรย่อให้เธอฟังเธอทำเนียพรังหันแลเดิันพุ่นแต่ขังพระมหากัตปะพุ่นาสัน่นเธออบรมมากมาสั่นสมาธิสมาสมบัติสาสั่นศาสนาพระมหากัตปะเนะ่พระกัตปะนะ่ เอาไปเอามามมีพูหน่อยโมมีผูใหญ่โมมีภูโมมีพระโมมีเน้นตีเสมอกันมัดโมมีพูใหญ่มมีพูหน่อยโมเขาเลิกกันตามอายุพันาเนี่ยพระทั้งหาองนั่นไดคบคิดกันพวกนี้มาหนีเถ้าเฮาขมอเป็นทังสี่ป่าประมิดบยู่ันนี่นี้ไปปฏิบัติต่อขอวัดปฏิบัติเดีได้เชื่อมหมดเลยเฮาโบยู่กันมอยู่ภูหน่อยผูใหญ่กี่ีาอยู่กันพูด ไปเป็นผู้เขาเป็นพักบันไดเฮ้าผู้ใดมีสั้นมียานผู้ใดห้องเหิเนเหนอากาศได้จันไปเลี่ยงกันเน้อจะไม่ผิดบาปเลี่ยงกันเนื้คือขาดบันไดขึ้นไปจกวันท้ายไปเหตุกับพระัว่าเก้าวันไหนพระเพศรให้บ่าเก้าเพิ่นฟันไม้ใดบอกปัจจุบนปัจจุบันนี้คามแยงมากเพิ่นว่าเก้าซะแตเรยกว่าอะาขาดบันไดขึ้น พระอ น, นาสุหนึ่งสเร็จพลังหนันองค์หนึ่งเป็นพระอานาคามีแต่เกิดในเทวโลกแต่เกิดในภพมโลกสุทธวาตอวิหาตรปรปาปสุท ธ, ธาสุทธสียการนิจ ก, กาพิรำรับปฏิ ป, ปนิพพานในภพนั้นส่วนพลันอานิสงสชานแต่เกิดในภพมโลกในส่วน พวกมาเาลต า, าพุม้าบริตาพาระปมาหน้าพาอาัสราบริตาสุภาปัมมาหนาสุภาษะสุภเกศกาศันสุตตาเวหาพรานี่นีใน่ในพวกนี้เมือ่ออันนั้นก็ได้ลงมาเกิดห่วมศาสนาพระพุทธเจ้าของเฮาเจ้าประเทศบาดข้าทาเดียวก็เลยไปเลยเพิ่งจะว่าอานิสง์ของปฏิบัติ่วาเสียไ่น ขันว่ได้สําเร็จพลังหันในปัจจุบันนี้ชาติในชีวิตชีวิตยุคเกิดจากได้สาเร็จพลังหันในเวลาตายขันย่งต่ําที่สุดก็ได้พระอานาคามีขันว่าจังสั่นก็จะเป็นนิสัยพระปฏิเจตขันว่าจังสั้นกับพ่อพระพุทธเจ้าองค์นากระสองสาบาทคาถาพระองค์เจ้าองค์นาเทศก็เป็นพลังหันโลดหรือพ่อมีดโกนโจดหัวก็เป็นพลังหันโลด อันนี้สมปฏิบัติอยู่ว่าเสียบอะไดหน่อยก็ได้หลายไปบอกองครับคือเขาเห็นหน้าเนี่ยมันม่ได้คล้ายก็ได้กินเขาดีก็าไปรักเพินเนี่มันม่่อันนี้วันสิบแปดพนทุกข์เลยว่าตาสงสารนั่นง่ายๆเนี่ยมันมันกับมีอยบันึงฮะเนี่ยที่พระองค์เจ้าเทศ พออินไปถามพระวงเจ้าเหตุไนคนจึงมาพ้นทุกข์ในปัจจุบันศาสตร์แทนที่พระพุทธเจ้าสีวาบาลมีย์ข้วาวบ้านแจกะาผันบาวาซบาบันนี่ท่นฮักไปว่าเแนวนึ่งฮนี่ฮักประเทศนึงเพราะเขาบ่าพ่อใจใพี่จหน้าอนิจจังทุกครั้งอนัตตาให้กลมกลืนกันพ่อกับลมหายใจเขาออกวมเบานา ข, าของเขาจึงบ่มี จึงมาเปิดประตู้แคนี้พานเพราะเขายังถือว่าเป็นทัพย์เป็นมุคข้เป็นตัวตนแล้วเขาเป็นของหมันของเทียงอยู่วะสัตวถือว่าในทรัพย์ไตยโลกาธาเนี่ยเป็นของมันของเทียงยังมีความชุกมีความเจเริญอยู่เขายังแสวงหาความชุกในแต่โลกาธาอยู่เหตุฉะนั้นเขาจึงบาพ่อใหญ่พี่แหน่อันนี้จังทุกครั้งอนานตาลกลงกึืนกันในขณะจิตเดียวในขณะเป่าเดียวพราะเขาลมเขาล้มออกเหตุฉะนั้นความเมืองนายของเขาจึงบมีวะสัตวเขาจึงบาลุดว่าผล ท่นที่ว่าพระ อ, องค์เจ้าที่ว่าบาลมิขับ้อนแกกะเฮ้าก็เข้าใจโดยโดยอัตโนมัติเอาเองก็ได้ผู้ที่ว่าพ้อใจอันนี้พี่จะหน้าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตานะี่ยนะก็คล้ายๆก็ว่าบาลมิยั่งมอ่อนอยู่เฮ้าก็ตัดชิ้นใดขึ้นกันแล้วทีว่าอย่างไรซะเพราะว่ามันพักถูโคมเบอรนายเนีย เภสิเจริญกรรมฐานนันในมากกับาง่ไหมที่เขาพุทธานุสติธรรมาสังฆาชีราจ่าค่าอย่งกับซางที่เขาอากาสานั่นจายอานาตากสามเขากรรมฐานทุกครั้งอุะอจุพังอยังกับซางลูกก็ก็กรรมฐานและอรุปรกรรมฐานนั่นก็ซางขันบอยกลงสูอนิจังทุกครั้งอนัตตาเสียดกิถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นทรัพย์เป็นบุคคลเป็นเล่าเป็นเขามีชิทธิมานะโยหหันแล้วม่เห็นพวกไปเห็นนิมิต ข้าาไปว่าคัดขานิมิตนิมิตอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังตัวั่านของโศกเปลีนนิมิตจะเพือมาคัดาดแ่เพิ่นสัตตัวท่านี่ชพพระติแกโตออกจากหันบ่ห้องจักท่นน้าวพิเศษพนพานไปแล้วนิมิตทั้งหลายนิมิตแปลว่าเครื่องไม้ท่นไม้ในรูกก็เป็นนิมิตในรูกไม้ในน้ำก็เป็นนิมิตในน้ำนิมิตทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอนนจังกขึ้นเนี่ยแปลว่า้งแต่สลายทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันนี่ใต้ต้โลกธาตุนี่เป็นยงสันเจ้าพระ大爷พัะ เธอทั้งหลายจงพี่จะน่าจำเป็นจริงรูต้ตามเป็นจริงปฏิบั ต, ติตามเป็นจริงถอนข้อมหลงของเธอทั้งหลายตามเป็นจริงเถิดพระพุทธเจ้าวางี่อนนี้มันก็มีบแทงมดละค่ะเนี่ยมันก็มีบนแทงเี่ค่ะเนี่ยสีนั่งอยู่มัดมือมัดขึ้นเดือนจ่กรมพรวนากรมือจนสอดยังส่พวกซี่ปงซี่เปื่อยมันคคอยบอกพวนาเพ่อนอาจารย์ลีเพื่ทายมา ครงนี้มันกับเอาอยำมะฮวาบักไคหลาไว้ใช่ละนั่งก็นั่งสี่นียยกมือขึ้นสี่พ่ว่าน่าบโต๊ะเลยมือนี่อันนี้จะป่งสอดออกหุ่นยำมาท่านสําเร็จพระโชดาบันเลยพราะเหตุไดเพราะเหตุอวดดีต่อพระพุทธศาสนาะจิตแห่งแข็งดีเข้าพระพุทธศาสนาะเป็นอัญเชิญทุเทศทุตตาอื่นมันเ่็นปิดบังที่ข้านี่ยสมาธิไมนเป็นโลกศีะสมาธิด้ เาวานาอังสัมันได้ราบดิ้ น, นี่มันมุงแถราบดิปฏิบัติเพื่อไดรราบด้เพื่อปฏิบัติเพื่อปัจจัยซีด้เพืให้คนเข้ารมนับถือด้บ่าในนอบถึงพระในพานว่เห็นกองทูกดิว่าเห็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาสัตดิเห็นแต่อนนี้จังกรับทุกครังเท่านั้นอนัตตาว่าเห็นสัต น, นี่เห็นพร ม, วมัวนนี่มุ ม, มู่มุมหม่เนี่มันก็เลยว่ามีคว้วเบื่อหน่ายใั่แล้วข้านี่มันก็เลยบ่มีในโลกกุตลละยานโลกกุตลกิจเนี่ยเป็นโลก เป็นโรคขยะเท่านั้นตี่ฮะนี่ยเห็นแล้ลัตว์จะไม่รู้สึกพระผลจะม่ได้ชักันนะฮะพระอนาคามีบางพระองค์พิจารณาอานิจจังเป็นอารมณ์ยัง ม, ม่มีกระเวงขึ้นอยู่ในพุอมรโลกลพวกที่ปร่างอในพุทมรรคผลแต่ขังพระเจ้าวิ ป, ปัสสิยมันก็มีอพู่งเดียวเนี่ยพระอนาคามี บางพระองค์อาจจะขังพระเจ้ากัดสปะผู้ก็มีจงังหวะเนี่ยปามหาวันลงมหาพระองค์เจ้าลงมาจากสุดทาวาดเสศสุดทเทวสุอันตรายยิ่ตาพระค้อนโตพลระโตปาตัวละห้งศูนย์ในมหาสมัยศูนย์อันตโคตาเทวตาพระค้อนตัางพิว่าเทตัวเอกามันต่างอัฐทั้งสุเอกามันตัางที่ตาโคเอกาเทวตาพระค้อนโตสันติเกียมัง่งฆาทั้งอาภาษฎีนั่น เมื่อก้าวค้าถาถามพระ อ, องค์เก่าอยู่พระ อ, องค์เก่าบางที่กับเวทขึ้นไม่พุ่นไปสั้นสุดสวาสดไปถามท่านว่าเป็นพระ อ, อาณาค่ามีอยู่หนีแต่ปามพระพุทธเจ้าองค์ใดก็เป็นจริงพระพุทธเจ้าหมูุยักษ์แล้วทานถามคว่าถามมันก็ไม่เข้ากันมาถึงคของพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้อายุยืนเนี่ยหาพันกับดี ท่านอวิหกะกหาพันกับท่านอัตปากะมืนกับผุนคูนทวีปไปเรื่อยแค่นี้สุดสายสุดเสียกันนี้ถากลบคนต้องคอยแต่พวกนั้นพอได้กลับขึ้นมาวันนี้นี่พานในผุนทำนนวนควา ม, ามาเพียนต่อผุนพวนาควงเก่าล่ะไม่ได้เอาวึ้นมาแส้มาาวนหน้า นางองก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่มีก็เว้นขึ้นติดต่ออยู่สิละางอไม่ใช่แล้วไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลท่ากหรือท่ตะโกนนามนี้สัตว์ละสร้างอันเดียวกันมันเป็นยังมายิงย้อนก้อนหันฉันมาสร้างมิ่สร้างโลกกี่โลกกุตระแถวกรเพาะมันมีทิฐิมราะกีดขวงอยู่ดี มโมยอ <HHH> มนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเสายังไหรัสร้างของพระสวสดาบาลสร้างของพระพาท้คามีปรมมาสร้างของพระสวสดาบาลปรมมาสร้างของพระสุทาคามีปรมมาสร้างของพระอนาคามีประทมมาสร้างของพระหันประทมมาสร้างของพระปัจเจกประทมมาสร้างของพระสมานธรรมุธเจอางก็แยกไข่กกอนติดลำดับเสวานยังไงครับมีกาลังโอวกันพอมีงานทำรมโยชนต่างกันนี่พี่ชนะอนิจจัง้องกัน พรโสดา บ, บันกับพาันีจังห่วมพระอานาคามีคือกันหควม่วมพระสักขทาค่ามีคือกันห่วมกันแต่ห่วมแยบคาย่างกาวกันเท่าไอย่างไรฮคือพู้โทพโธนี่และผ้พ่มาหน้าพโทม่ห่วมแยบคาย่างกันนี่ผพ้โทษ ว, ว่าพมาเกิดผู้โทษว่าพ่อมาแก่ผู้โทว่าพมาเก่ผพทษว่าพอมาตายพโทษว่าพมาหลบมาโกดมาโลบผโ เสถนโทษไดการเกิดการแก้การเย็บการจ่ายพุทธโทษเพื่อพุทธโทนายพุทธพุทธโทข้เมาในวัตาทงสานตัแปลพุทธโทออกมคืนหอระซ่มันก็เหมพูดแตกชานเนธรรมะเพคนกับพุทธโทพุทธโทพุทธโทื่อมวิ่งโค่ไม้ย้ำกับ่าแยกไข้ด้สิวอย่างไฉันพอจิตไปร่วมวัแหวบแล้วจะเป็นงกเสแล้วกันอนจ้ามันก็บ่ได้เรื่องเลยครันี้าอมันก็มีวามผิดตางกังสันเห็นทังสันทพระพุทธเจ้ามันจึงมีคา ขึ้นอยู่กับปัญญาของบุคคลปัญญาอะปริสุทธิ์สติบุคคลชีวุทธพน์ก็เพราะปัญญาเ่านั้นเสงสว่างพอปัญญาไม่มีเสียงเดือดเสียงเดาดาวเสียงเสงพระอาทิตย์มันมีที่บงังด้วยปัญญาไม่มีที่บังแล้วข้ารับร่างว่าข้าสรองทะลุผูสี่มูอที่เสือบ้าันข้าสร้างทะลุผูได้เดียวนี่ ผู้ยึดใจอำนาจอันนี้จังเด้สิเ้สิเพ้เป็ดเนี่ยประสิทธิบัวห้าซองทะลุผู้ประสัทนี่จะให้ไปมนเอาจังศีลบ่จังสิวานี่เาเกิดแก่เก็บตายบ่สงสัยในโลกถ้าปวงสิบบัวารอบโลกบระสิทิสิหอไปสาบสีเรียงงนผล็นจังศีวาหอกโลก เหนอันนึง okay. ซัดก็ซัดเหมือเฮ้ยขันเห็นนังสัดก็เห็นกระดูกสัวขึ้นกันขันหลงนังก็หลงกระดูกขึ้นกันขันหลงหูก็หลงเสียงคือกันขันหลงได้ก็หลงเสียคือกันขันหลงมืดก็หลงสว่างขึ้นกันคันหลงปัจจุบันก็หลงอดีตอนาคตขึ้นกันันหูจักปัจจุบันตอนนี้อดีตตอนนั้นกับหูจักอนาคตตอนนั้นกับหูจักขันหูจักปัจจุบันตอนหยา อดีตตอนยาบตอนนั้นกับหงจักอนาคตตอนยาบอันนั้นกับหงจักอันหงจักปัจจุบันตอนกลางตอนกลางอดีตที่รู้มันลวงมาแล้วที่อนาคตปัจุบันมาถึงกับหงจักคือกันตอนละเอียดคืออย่งคือของาารอพระละหันเพื่อนคนก็ว่าพุโทโธพุโทพโธไปแล้วผู้ลู่ผู้ลู่พระสุตดาวานผู้ลู่พระสกทาขามีผู้ลู่พระนาคามีผูลาา้ลู่พระละหันผู้ลู้พระปเจกมียิงย้อนกบกันนี้ ก็ที่ตีตนเที่ยมว่าพุทโทประโทษไปว่าผู้ลู่จะไปเทียมพระพุทธิเก่ามันก็มาถึงก็เป็นู้สาวกสาวกซีจัพวกกันสาวกาสาวกกันนี่สาวิกาสาวกกันนี่พุทธสาวกกันนี่ประเจกาสาวกกันนี้ฮันอันหันซีจัพวกเขาจะปตโกเตวิโชชาลาพินโยปฏิสมิทัปปโตนี่นี่ก็พวกหนึ่งนี่พวกสาวกสาวิกาก็คือการนี่ พระอรหันตสี่จะพวกที่มีชานวรรณะนี่นะฮะเนี่ยสมาสัมพุทธะเป็นสันวัะสันที่หนึ่งปัจเจกพุทธะเป็นสันวันะที่สองสาวกพุทธะเป็นสันวรณะสันที่สามสาวิกาเป็นสันที่สี่จากนั้นจังหวะสันที่สีผู้หญิงเพยงก็มโหหิคาผู้หญิงจะเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นก็ห้ามมาให้ประเทศท้าพิสูจสงฆ์คนท่าละมานผู้หญิง กปฏิเจ้าธรรมาธิพยิงธรรมาที่สุดธรรมาธิพยิงมันดือ้อธิพยิงกองพลทิ่ธรรมานหลายมันก็มีแนวดืออ้อะะเขาผู้ใต้มันก็ดือ้อตายเข้กั น, กน